วันนี้เป็นวันมาคาบูชาเป็นวันสําคัญลำดับที่สามวันแรกก็คือวันตัสสรุของพระพุทธเจ้าวันประสูติวันตัสสรุวันเสด็จดับขันธ์ตระเลยนิพานซึ่งปรากฏขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกแล้ววันที่สองต่อมาสองเดือนต่อมาหลังจากที่ได้ทรงตัสสรุก็ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอน ให้แก่พระปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปดที่เราเรียกกันว่าวันอาสาหบูชาวันที่เกิดของพระธรรมและ ว, วันที่เกิดของพระสงค์เพราะวันนั้นทรงสแสดงพระธรรมจากกับปวตนาสูตรหลังจากที่ได้ยินได้ฟังหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็คือพระอัญญาณโกนทัญญา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 จำนวน 1,250 รูปที่อยู่ตามสาวรัิตต่างๆได้เดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนพระภิกษุทั้ง 1,250 รูปล้วนเป็นพระอาหารหันตสาวกคือได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเยือนว่ายตายเกิดแล้ว และพระสงฆ์พระอาลันตัดสาโลกเหล่านี้ท่านเป็นท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทําการอุปสมบทให้ด้วยการกล่าวว่าพระวาจาว่าเอหิภิกุจงมาเป็นภิกษุเถิด น, นั่นคือการบวชพระในสมัยพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทําการบวชให้ทรงตรัสเพียงสั้นๆว่า เอหิพุทธภิกข u จงมาเป็นภิกษุเถิดเท่านั้นก็ได้ถือว่าได้บวชเป็นพระภิกษุในบวรของพระพุทธศาสนาแล้วพระอาหารหันตทั้ง1250รูปนี้ก่อนที่ท่านจะบวชเป็นพระในศาสนาพุทธท่านก็เป็นนักบวชกันมาก่อนแต่เป็นนักบวชของรัฐที่อื่นที่สอน วิธีการหลุดพ้นชนิดต่างๆแต่ไม่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นหลุดพ้นจากกองทุกได้จนได้มาพบกับพระพุทธเจ้าและได้ฟังเทศฟังธรรมก็ปรากฏมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมสามารถกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาหลังจากที่ได้บรรลุแล้วก็มีความปรารถนาที่จะบวชในบวรของพระพุทธศาสนาคืออยากจะอยู่ภายใต้พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งบวชให้ด้วยการกาว ว่าเอหิพิคุพระอรหันต์นี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตะสาวกพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองผู้นั้นจึงมีพระ นามว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้คือผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่บรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยการอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกตออ่อหนึ่งคําว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟัง อาหานตสาวกก็คือผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารด้วยด้วยการได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพระอาหลานตสาวกนี้มีความเหมือนกันในทางด้านความบริสุทธิ์ของจิตใจจิตใจปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา เหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้หาวิธีชำระด้วยพระองค์เองแต่พระสาวกนี้โชคดีไม่ต้องค้นคว้าหาวิธีมีคนบอกวิธีชำระจิตใจให้จึงสามารถบรรลุ ก, กันได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้ากว่าจะได้บรรลุ ก, ก็ต้องบำเพ็ญอยู่ถึงหกปีด้วยกัน ภาษา voke พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้เลยนี่คือความพิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทําให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ได้บรรลุ ก, กันได้อย่างง่ายได้ก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคําสอนในโลกนี้ไม่มีพระอาหารหันต แม้แต่รูปเดียวแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้แล้วนำเอาพระธรรมคำสอนคือวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรลุให้เป็นพระอาหารหันต์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากภายในยในระยะเวลาเจ็ดเดือน คือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันแรกที่ส่งประกาศพระธรรมคำําสอนจนถึงวันมาคาบูชาคือวันนี้วันเพ็ญเดือนสามระยะเวลาก็เจ็ดเดือนด้วยกันก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์อย่างน้อยก็หนึ่งันสองรห้าสิรูปแล้วก็มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับเพราะหลังจากที่พระอาหารหันต์เหล่านี้ท่านได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงจัดให้ไป ไ ป, ไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้โดยให้แยกกันไปไม่ให้ไปสององค์ด้วยกันให้ต่างโครงต่างแยกกันไปเพื่อที่จะได้กระจายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปจึงปรากฏมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากมายในสมัยพระพุทธการ ยุคนั้นจึงถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาเป็นยุคที่เจริญที่สุดทางด้านจิตใจเพราะว่ามีผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์มากที่สุดนั่นเองหลังจากนั้นแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันธ์าตปนนีพานไปอีกสี่สิบห้าปีต่อมาจำนวนของพระอรหันต์ก็ค่อยๆลดน้อยลงไป ตามลำดับตามสภาพของความเป็นของที่ไม่เที่ยงพระพุทธศาสนาก็จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะหมดไปคือจะไม่มีผู้ที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมแล้วก็มาเผยแผ่ธรรมที่ตนเองได้บรรลุ เมื่อไม่มีผู้ศึกษาไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีผู้เผยแผ่ธรรมพระธรรมคำสอนก็จะสูญหายไปซึ่งพระพุทธเจ้าก็ส่งพยากรไว้ว่าจะเป็นเวลาประมาณห้าพันปีด้วยกันคืออายุของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี้จะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีจะมีผู้ที่สามารถศึกษาปฏิบัติบรรลุ และนําเอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้พอหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นยุคที่ไม่มีใครรู้จักคําสอนเหมือนกับยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญไม่มีใครรู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการสอนให้ทําบุญสอนให้ละ บ, บาปสอนให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วจะถึงจะได้นำเอาคำสอนนี้มาเผยแผ่สั่งสอนในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยได้ทรงแสดงหัวใจของพระาศาสนาหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุและมาเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นนั้นจะมีกี่พระองค์ก็ตามทุกทุกพระองค์ก็จะทรงสอนเหมือนกันหมด คือสอนให้ละบาปสอนให้เจริญหรือทำบุญทำกุศลแล้วก็สอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งสามคือกามะตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาที่เป็นเชื้อของภพชาติที่จะเป็น ตัวที่จะฉุดลากให้จิตใจต้องไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหมดสิน้นถ้าสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุดได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้หมดไปจากใจก็จะไม่มี สิ่งที่จะผลักดันให้ใจต้องไปเกิดอีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนี้เป็นใจที่ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงปราศจากกามตะฏันหาภวตันหาและวิภวะตันหาการที่จะทำให้ใจนี้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ และได้นำเอามาสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันสามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ละบาปทั้งปวงไม่ให้การทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจให้ทำความดีให้ถึงพร้อมให้ํำระใจให้สะอาดบอยสุดด้วยการบาเพ็ญส ม, มะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา นี่คือเหตุที่จะนามาคือผลก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตนี้ไม่มีวันตายมีอยู่ที่ว่าจะหยุดแบกภพชาติหรือจะแบกภพชาติไปเรื่อยถ้ามีความโลภมีความอยากก็จะไปแบกภพชาติอยู่เรื่อย ไปเกิดตามพบต่างๆ ต, ตามบุญตามบาปที่ได้ทำไว้ถ้าทำบาปก็ต้องไปแบกภพชาติในอบายไปเกิดเป็นเปรตเป็นอาศูลกายเป็นเดรัจฉานไปตกนรกถ้าทำบุญไม่ได้ทำบาปก็จะไปเกิดในสุขติไปเกิดในภพภูมิของเทวดาและผมทั้งหลาย ถ้าปฏิบัติวิปัสนาเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเห็นว่าทุกเกิดจากสมุทัยคือตัณหาความอยากเห็นว่าวิธีดับความทุกข์ก็ดับได้ด้วยการเจริญสติปัญญาปัญญาก็คือการเห็นไตรลักษณ์นี่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากเป็นอะไรเพราะรู้ว่าถ้าอยากถ้าได้มาแล้วก็จะต้องทุกกับสิ่งที่ได้มาเช่นได้สามีก็ต้องมาทุกกับสามีได้ภรรยาก็ต้องทุกกับภรรยา ได้บุต ธ, ธิดาก็ต้องทุกข์กับบุตริดาเพราะเขาไม่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเขาอยู่กับเราไม่ได้ตลอดเขาไม่ได้อยู่แบบดีไปตลอดบางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีเวลาเขาไม่ดีเราก็ได้รับความทุกข์เวลาเขาจากเราไปเราก็ได้รับความทุกข์แต่ใจที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็น ความทุกส่วนนี้เวลาอยากได้อะไรก็มักจะเห็นแต่ส่วนที่ดีเช่นอยากได้สามีอยากได้ภรญญาก็คิดว่าจะได้มีเพื่อนจะได้มีคนแกล้เงเราจะได้มีคนคอยปกป้องดูแลรักษาเราก็คิดไปในทางบวกอย่างเดียวไม่ได้คิดไปในทางลบว่าเขาอาจจะไม่ดีอย่างที่เราคิดก็ได้ หรือเขาอาจจะดีตอนต้นแล้วเขาจะเปลี่ยนไปตอนตอนปลายก็ได้เวลาพบกันใหม่ๆก็ดีแต่พอได้มาอยู่ร่วมกันแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้ดีอย่างที่เขาเป็นเหมือนตอนที่พบกันใหม่ๆเวลาที่เขาเปลี่ยนไปก็จะเป็นเวลาที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจเวลาที่เขาจากเราไปก็จะทำให้เราทุกข์ใจ นี่คือส่วนที่เราไม่มองกันหรือมองไม่เห็นกันเราจึงควายคว้าหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เราควายคว้าหาอะไรกันอยู่ตอนนี้เราก็ควายคว้าหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองเวลาเราเห็นลาบคือยึดเงินทองเราก็จะคิดว่าพอมีเงินทองแล้วเราจะได้ซื้อความสุขได้ทุกรูปแบบ อยากจะได้อะไรก็ซื้อได้อยากจะมีอะไรก็มีได้แต่เราไม่มองไปวันที่เวลาที่เงินหมดแล้วเราอยากได้สิ่งนั่นสิ่งนี้แต่เราไม่มีเงินที่จะซื้อแล้วตอนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรเปนเหมือนกับยาเสพติดคนที่เสพยาเสพติดจะไม่เห็นทุกข์ในยาเสพติดจะคิดว่าเวลาได้เสพยาแล้วมีความสุข แต่ไม่ไล้คิดว่าวันที่ไม่ได้เสพจะเป็นอย่างไรคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่สามารถหายาเสพติดมาเสพได้จะเป็นคนที่ทุกข์ทรมานอย่างมากจันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่พวกเราแสวงหากันก็เป็นเหมือนกับยาเสพติดคือทาให้เราติดเมื่อเราได้อะไรแล้วเราก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆ แต่เราไม่เห็นว่าความจริงของสิ่งต่างๆว่าเขาไม่แน่นอนเขาไม่ไม่ไม่ได้จะให้เราได้อยู่ตลอดเวลาบางเวลาเราก็มีเสียได้มีหมดได้มีไม่สามารถหามาได้เวลาที่ไม่สามารถหามาได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราต้องทุกกันอันนี้เราไม่มองกันเราเลย เดินเข้าหากองทุกโดยไม่รู้สึกตัวเข้าหากองทุก์ด้วยความอยากเกิดความอยากแล้วก็ต้องหาสิ่งที่อยากได้อยากได้เงินทองก็ต้องไปหาเงินทองมาอยากได้ยศก็พยายามหายศมาอยากได้สรรเสริญก็พยายามหามาแต่ไม่คิดเลยว่าราบยศสรรเสริญ น, นี้ก็มีวันที่จะต้องเสื่อมไปได้ มีเจริญก็มีเสื่อมได้เงินทองไม่ใช่ว่าจะมีแต่เข้ามาอย่างเดียวมีโอกาสที่จะหดหายไปได้เหมือนกันคนที่หดหายเงินทองหดหายไปรู้สึกเป็นยังไงบางคนถึงกับต้องข้าวตัวตายเพราะว่าไม่สามารถอยู่ปราศจากเงินทองได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลาย มองไม่เห็นกันไม่มองกันต้องรอให้เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นว่าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้อะไร เพราะว่าไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่เราได้มานั่นเองผู้ที่ฉลาดผู้ที่เห็นความเสื่อมของสินต่างๆก็จะหยุดความอยากได้กลัวแทนที่อยากจะได้กับกลัวไม่อยากจะได้เพราะว่ากลัวว่าเวลาได้มาแล้วมันจะอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้เพิ่มยังใจก็เสียใจ แล้วสิ่งที่ได้มาเวลาหมดไปก็เสียใจแต่ถ้าอยู่แบบไม่มีได้นี้กลับสบายใจกว่าใจนี้โดยธรรมชาติเขาไม่ต้องมีอะไรเขาอยู่ของเขาเองได้แต่เราไม่รู้เราหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายเราเลยตั้งความหวังไว้ที่ร่างกายคิดว่าเราต้องเลี้ยงดูร่างกายของเรา ให้อิ่มหมีพีมันเราถึงจะมีความสุขแต่ยิ่งเลี้ยงให้อิ่มมีพีมันเท่าไหร่กับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะจะต้องหามาเลี้ยงมากขึ้นแล้วเวลาเลี้ยงมากเกินไปก็ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาร่างกายที่มีน้ําหนักเกินมีน้ําหนักมากเกินไปก็จะมีของแถมมาให้ก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีเบาหวานมีโรคความดันมีโรคไขมันอุดตันมีอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปแทนที่จะได้ความสุขจากร่างกายก็ต้องมาทุกขกับร่างกายและนอกจากนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เลี้ยงดูมันอย่างเิ็มนี้พี่มันเราเลี้ยงมันแบบตามปกติธรรมดา เลียงเลียงมันอย่างไรให้มันดีขนาดไหนมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายอยู่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราคือเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจเราไม่รู้จากใจว่าเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าใจของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย แล้วเราไม่รู้ว่าใจของเรานี้จะมีความสุขอย่างมากถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่อยากได้อะไรมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ส่งค้นพบอันนี้พมคดค้นพบความจริงกันนี้ว่าเราคือใจของเรานี้ไม่ต้องมีอะไรมีแล้วจะมีทุกขมากกว่ามีสุขสู้ไม่มีดีกว่าสู้มาหัดอยู่แบบไม่มีอะไรส่วนร่างกายก็เลี้ยงดูเขาไปตาม ความจำเป็นของเขาแต่ก็ไม่หวังอะไรมากจากร่างกายเพราะร่างกายนี้ในที่สุดก็จะต้องแก่เจ็บตายไปอยู่ดีแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจถ้ารู้จักอยู่เฉยๆอยู่อย่างสงบอยู่โดยไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างไม่มีความอยากก็จะอยู่อย่างปละมังสุขขัง นั่นหละคือการอยู่ของพระพุทธเจ้าการอยู่ของพระอาลันตสาวกทั้งหลายถึงแม้ในขณะที่ท่านมีร่างกายอยู่ใจของท่านก็ปรมังสุขขังคือใจของท่านไม่มีความอยากได้อะไรไม่มีความอยากมีอยากเป็นอะไรท่านอยู่ไปก็เลี้ยงดูร่างกายไปตามอัตภาพพอเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการ เผยแผ่พระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองประโยชน์ของร่างกายของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ตรงที่จะได้เอาคาสอนมาเผยแผ่ให้แก่พุทธบอยรสัตว์สี่คืออุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุและพระภิกษุณีในสมัยก่อนก็มีภิกษุณีสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วมีแต่สามนเณร พระพุทธเจ้าพระอาจานย์ทั้งหลายท่านก็ใช้ร่างกายนี้มาทําประโยชน์เอาร่างกายนี้มาเผยแผ่ธรรมะธรรสอนให้แก่พุทธบอยสัตว์สี่เพื่อพุทธบอยสัตว์สี่จะได้รู้จากวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทําให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างพุทธกิจ คือหน้าที่ของพระเจ้าที่ทรงปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือตอนบ่ายก็อบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาสัทธ า, าติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุภิกษุณีตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาแล้วตอนก่อนจะออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ทรงเล็งยานดูว่า วันนี้จะไปสั่งใครไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ส่งออกบินทบาทพอได้เวลาพอได้ตะวันพอสว่างก็จะสังเสด็จออกบินทบาทนี่คือภารกิจห้าประการที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ภารกิจสี่ข้อก็เป็นการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกส่วนข้อข้อที่หคือข้อบินทบาท ก็เป็นการเลี้ยงดูร่างกายแต่ใจของพระองค์นี้ไม่ต้องมีอะไรมาเลี้ยงดูเพราะใจของพระองค์นี้เต็มไปด้วยความสุขปรมังสุขขังอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องภาวนาทำใจให้สงบไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญวิปั ส, สนาเพราะว่าใจของพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาอีกแล้วใจของพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์นี้สงบ เป็นธรรมชาติของเขาไม่เหมือนใจของปุถุชนอย่างพวกเราที่ยังว้าวุ่นขุนมัววุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไม่รู้จักวิธีชำระใจของเราชำระสิ่งที่สร้างความวุ่นวายให้กับเรานั่นเองก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่คือความแตกต่างระหว่างใจของ ปุตตชนกับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกเป็นใจที่มีความสุขหรือมีความทุกข์เท่านั้นเองใจนี้ไม่มีวันตายถ้าทุกข์ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าสุขก็สุขไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกก็เป็นปรมังสุขครั้งไปไม่มีวันสิ้นสุดะ ใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราก็ทุกข์กันไปไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันจนกว่าเราจะสามารถทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาลัยตสาวกทั้งหลายได้ทำกันใจของเราถึงจะได้มีปรามังสุขขังไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ตรงที่ มีความศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่าเสียดายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะจะเสียเวลาไปเปล่าๆความสุขที่ได้ไม่ ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้ได้สุขนิดน้อยแต่ได้ความทุกข์มากมายแล้วก็จะไม่มีวันที่จะทำให้ใจนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไปสแสวงหาราบยศสรรเสริญไปสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วยุติการสแสวงหาราบยศสรรเสริญ ยติการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมใจก็จะได้รับการดูแลได้รับการชำระสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจให้หมดไปได้ทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้อยู่อย่างมีความสุขไป ยังไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่เดินตามทางที่พระเจ้าทรงสอนให้เดินแล้วเราเดินตามทางที่เรากําลังเดินกันอยู่คือเดินเข้าหาความหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่เราก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจของเราก็จะมีความทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆตายจากภพนี้ไปกลับมาเกิดใหม่ ก็มาทำแบบเดียวกันมาหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายต้องมาทุกขกับการเสื่อมของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหยุดการหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการมารักษาสีนมาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาใจของเราก็จะได้สะอาดขึ้นตามลำดับแล้วก็จะสะอาดบริสุทธิ์ไปในที่สุดเบื้องต้นเราจึงต้องรักษาสีนให้ได้รักษาสีนห้าก่อนรักษาสีนห้าได้แล้วก็รักษาสีนแป ถ้าเรารักษาสิ่แปลกได้เราก็จะได้ปฏิบัติทําได้จเจริญส ม, มะถะภาวนาได้ทําไมเราจึงต้องจเจริญส ม, มะถะภาวนาคือความสงบเพราะว่าใจของเราถ้าไม่สงบแล้วใจจะหิวจะอยากจะเล้นหาสิ่งต่างๆอยากจะได้ลาบยศสรรเสริญอยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ใจก็จะอิ่มใจก็จะไม่หิวกับลาบยศสารเสริญกับตากับรูปเสียงกลิ่นรสผลสภพอพอใจมีความสงบมีความสุขเราก็จะได้สอนใจให้หยุดความอยากได้ลาบยศสารเสริญหยุดความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเรายังไม่มีความสงบ ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเราก็จะหยุดไม่ได้เพราะใจเราไม่มีความสุขนั่นเองไม่มีความอิ่มในตัวของเขาเองเขาเลยต้องหาความสุขจากภายนอกต้องไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายมาบำรุงบำเลอแต่เป็นความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วก็จะมีความสุขทุกตามมาทุกครั้งไปดังนั้นถ้าเราอยากที่จะหยุดความอยากในการที่เราจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ในเบื้องต้นเราต้องพยายามให้ความสุขกับใจเราก่อนด้วยการทำใจของเราให้สงบ ถ้าใจเราสงบแล้วก็จะได้เหมือนกับคนที่ได้รับประทานอาหารแล้วพอรับประทานอาหารอิ่มแล้วทีนี้ใครจะเอาอะไรมาล่อใจก็ก็จะรู้สึกเฉยเฉยใครจะมาชวนไปกินอาหารที่ร้านนูน้นร้านนี้ก็จะไม่ไม่ถึงกับอยากจะไปไม่ไม่กระโดดตามไปแต่ถ้าไม่ได้กินอาหารนี่เวลาใครมาชวนให้ไปกินอาหารที่นั่นที่นี่ก็จะกระโดดตามไปเลย ถ้ารับประทานแล้วก็อาจจาะชั่งน้ำหนักรืูว่าไปแล้วคุ้มเหนื่อยหรือเปล่าถ้าไปแล้วไม่คุ้มเหนื่อยก็ไม่ไปดีกว่าอาหารมันต้องอร่อยจริงๆถึงจะไปเพราะท้องมันตอนนี้มันไม่หิวแล้วมันอิ่มแล้วด้าในใจของเราก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้ที่เรายังต้องหาราบยศสระเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขทางใจ เราอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ปัสศจากราบยศสรรเสริญอยู่ปัสะจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เราต้องหาสิ่งนั้นมาดื่มมารับประทานต้องหาสิ่งนั้นมาดูมาฟังอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเพราะว่าใจของเราผิวเพราะใจไม่มีอาหารในตัวของตัวเองเราจึงต้องสร้างอาหารของใจ ให้เกิดขึ้นให้ได้อาหารของใจก็คือความสงบนี่เองพอใจมีความสงบแล้วใจก็จะมีความอิ่มมีความพอแต่ก็ยังสามารถถูกความหลงหลอกให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อยู่ถ้าไม่มีปัญญามาคอยสอนมาคอยเตือนก็จะตามไปได้เวลาออกมาจากสมาธิแล้ว ถ้าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาได้อยู่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้ามีปัญญาคอยสอนว่าสิ่งที่อยากได้นี้ไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องสูญเสียไปเวลาสูญเสียก็จะต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าเห็นความไม่เที่ยงเห็นอนัตตาก็คือเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับให้เขา อยู่กับเราเป็นของเป็นของเราไปได้ตลอดเวลาถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะหยุดความอยากได้เราจะมีกำลังจะหยุดได้เพราะว่าเพราะว่าใจของเราไม่ได้ถึงกับหิวโหวยไม่ได้อะไรมาก็ยังไม่เดือดร้อนเพราะมีความสงบหล่อเลี่ยงจิตใจอยู่นั่นเองดังนั้นการการปฏิบัติเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลง ัความอยากต่างๆนี้จำเป็นจะต้องมีสงบมีความสงบก่อนมีสมาธิก่อน mm. เหมือนกับคนใจจะไปทำงานทำการนี่จะต้องกินข้าวก่อนให้มีแรงก่อนพอมีกินพอมีแรงแล้วก็สามารถไปทำงานทำการได้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูได้ mm. ข้าศึกศัตรูของใจก็คือกิติเตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เอง การที่ใจจะมีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาก็ต้องมีความสมบมีอาหารรับประทานก่อนพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วใจก็จะมีกำลังที่จะออกไปต่อสู้ไปเจริญปัญญาไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพิจารณาก็จะเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเพียงระยะแรกแรกเวลาที่ได้มาก็ดีออกดีใจแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะกลายเป็นภาระทางใจไปภาระก็คือต้องคอยดูแลรักษาเพราะว่าเรารักเราหวงเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นตลอดแต่ก็มีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เขาไม่อยู่กับเราสมบัติต่างๆถ้าเราไม่ดูแลรักษาไว้ปล่อยทิ้งเอาไว้ก็จะ ถูกผู้อื่นลักขโมยไปได้หรือถ้าไม่มีใครลักขโมยไปก็จะถูกเวลาทำลายไปมันจะต้องเสื่อมไปตามเวลาของมันนี่คือเรื่องของวิปัสสนากับสมถะภาวนาที่เป็นหัวใจเป็นตัวสำคัญในการที่เราจะกำจัดฆ่าศึกศัตรูของใจก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจก่อนที่เราจะเข้าสู่สมถะวิปัสสนาได้เราก็ต้องมีศีลก่อนมีศีลห้าศีลแปดก่อนถ้าไม่มีศีลห้าศีลแปดก็จะยากต่อการบําเพ็ญจิตใจจะว้าวุ่นขุนมัววิตกกังวลวุ่นวายกับบาปกรรมที่ได้ทําไว้จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาจะเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา ถ้ามีศีลแล้วใจก็จะแน่วแน่ไม่มีความวิตกกังวลว่าวุ่นขุนงัวกรรมบาปกรรมที่ที่ที่ทําเพราะว่าไม่ได้ทําบาปทำกรรมนั่นเองเพอไม่ได้ทําบาปทํากรรมแล้วก็จะทําให้ก็มีความสามารถที่จะมาเจริญสติเพื่อควบคุมใจให้สงบได้สามารถบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปได้ตลอดเวลา ถ้าใจมีพุทโธ อ, อยู่ตลอดเวลาใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายไม่มีความคิดปรุงแต่งพอนั่งหลับตาใจก็จะนิ่งจะรวมเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบก็จะได้พบกับความสุขความอิ่มใจที่จะทําให้มีพลังไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วพอจากสมาธิมา ถ้ายัางไม่มีความโลภความโกรธความอยากก็ให้ศึกษาความจริงไปเรื่อยๆพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่เรารักที่เราหวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเช่นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักว่าเป็นเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเรา เวลาที่เขาจากเราไปเราทำใจได้หรือเปล่าเราไม่ทุกข์ได้หรือเปล่าเพราะทุกข์ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงอะไรทุกข์ก็จะทำให้เราเจ็บตัวไปเปล่าเสียใจไปเปล่าและอาจจะทำให้เราถึงกับทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็เป็นได้แต่ถ้าเราคอยสอนใจไว้ล่วงหน้าก่อนให้ระวุ่ความจริงของร่างกายของเราก็ดีร่างกายของผู้อื่นก็ดีว่า ในที่สุดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าเรารู้แล้วเราทำใจสอนใจใจก็จะไม่ต่อต้านใจก็จะไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจกันที่เราเครียดกันก็เพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองพอเราพิจารณาด้วยปัญญาว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นใจใจเราไม่จําเป็นจะต้องไปทุกข์กับเรื่องของร่างกายร่างกายเขาเป็นของเขาอย่างนี้เขาเกิดแล้วเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายทตอย่างใดถ้าเราปฏิบัติเราก็จะสามารถแยกแยะใจออกจากร่างกายได้เราจะรู้ว่าใจนี้เป็นอีกคนหนึ่ง ร่างกายนี้เป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนละคนกันเหมือนกับเราเป็นฝาแฝดใจเป็นพี่ร่างกายเป็นน้องใจเป็นผู้ดูแลร่างกายสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ไม่ช้าก็เร็วน้องก็คือร่างกายก็จะต้องแก่เจ็บตายไปแต่พี่นี้ไม่มีวันแก่เจ็บตายพี่นี้เป็นเป็นอมตะคือไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่พี่ไม่รู้ว่าตนเองเป็น ตไปคิดว่าตนเองเป็นน้องเป็นร่างกายพอ ร, ร่างกายเป็นอะไรก็เกิดความเครียดเพราะกลัวจะเสียร่างกายไปคิดว่าตนเองจะตายไปกับร่างกายถ้าเราปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาภาวนาเราจะเห็นกายกับร่างกายนี้ร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่าง แต่ใจไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เท่านั้นเองเวลาใจอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็ต้องอยาบไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเห็นความจริงอันนี้ใจก็จะหยุดต่อต้านจะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะว่าเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะตนเอง ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เหมือนกับเอาเอาค้อนมาทุบศีรษะหรือเอาของแหลมมาทิ่มหัวใจความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราอันนี้คือสัจธรรมความจริงที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สองคนพบได้เห็นได้ด้วยพระองค์เอง พวกเราถึงแม้จะเจ็บแทบเป็นแทบตายเจ็บใจแทบเป็นแทบตายเราก็ไม่รู้ว่าเรากําลังเป็นคู่เอาของแหลมของคมมาทิ่มแทงหัวใจของพวกเราเองด้วยความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายด้วยความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกับเอาของแหลมของคมมาทิ่มแทงหัวใจของพวกเราแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังเป็นผู้กระทากับตัวเราเองอยู่ ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดจรู้เห็นความจริงอันนี้พอรู้แล้วพอมาสอนคนที่มีสมาธิเขาฟังปั๊บเขาก็เข้าใจกันนักบวชที่ในรัฐที่อื่นนี้เขามีศีลมีสมาธิกันแล้วพอได้ยินได้ฟังปัญญาก็คืออริยสัจสี่ได้ยินว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเองของใจเองเพราะว่าเป็นเหมือนกับเอาของแหลมของคมมาทิ่มแทงหัวใจของตนเอง ถ้าไม่อยากจะเจ็บใจก็หยุดทิ่มแทงหยุดความอยากเท่นั้นเขาก็หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากแล้วเขาก็ไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่ทุกกับการพัดผ่าจากของสิ่งของสิ่งต่างๆไปไม่ว่าอะไรจะดับไปเขาไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่แหละคือวิธีดับทุกข์ที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงอที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ได้สองคนพบ แล้วหลังจากนั้นก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีภูมิมีความสามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ก็ปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมากันเป็นจํานวนมากแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่มีการปฏิบัติมีการศึกษามีการบรรลุมีการเผยแผ่ธรรมะ หน้าที่ของพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็คือเราก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุให้ได้ถ้าบรรลุแล้วเราก็จะได้เอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ผู้อื่นอีกต่อไปก็จะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆ อ, อย่างที่หลวงปู่มั่นท่านได้ทามาท่าน ศึกษาท่านปฏิบัติท่านบารรลุแล้วท่านก็เผยแผ่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ปรากฏมีครูบาอาจารย์ที่ได้ไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่นจนได้บรรลุทำกันเป็นจํานวนมากแล้วหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เผยแผ่สั่งสอนแก่ให้ลูกศิษย์ลูกหาตามลําดับต่อมาก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็บรรลุแล้วก็นํามาเผยแผ่กันต่อนี่คือ วิธีการที่เราจะต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและก็ให้เป็นของจริงของแท้ถ้าเราเผยแผ่ด้วยการศึกษาอย่างเดียวนี้จะเป็นการเป็นการเผยแผ่ของไม่จริงเป็นความจำความจำกับความจริงนี้ไม่เหมือนกันความจำไม่สามารถทําให้เราบรรลุมรรคผลที่พานได้ต้องเป็นความจริงความจริงต้องเกิดจากการปฏิบัติดังนั้นก็ ขอให้ท่านทั้งหลายได้เอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจนาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุระเณตุ p ังกปาจันโทป t an h ระโสยธามณิโ a ติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวตะวันตราโยสุขีทีคาโยโกผวาอภพิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมาวาธานติอายุวโนสุขังภาลัง มีใครอยากจะถามปัญหาอะไรไหมวันนี้ฟังเทศไปแล้วขาดตกบกพร่องตรงไห น, นอยากจะให้เติมอยากจะให้ขยายความก็ถามได้พวกเราได้เชิญ สมถะวิปัสนาเป็นสมถะก็คือการทําใจให้นิ่งให้สงบส่วนวิปัสสนาก็คือการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันความหลงความหลงคืออะไรก็คือเห็นผิดเป็นชอบเห็นกรงจากเป็นดอกบัวเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่นเห็นแมวเป็นหมาอย่างนี้เห็นหมาเป็นแมว ถ้าวิปัสสนาก็จะมาสอนให้เห็นว่าแมวเป็นแมวหมาเป็นหมาสิ่งที่ใจหลงน้นหลงอะไรหลงเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเช่นเห็นว่าร่างกายนี้เที่ยงอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้ว พรเจ้าจึง ส, งสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายด้วยการให้สอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดานี่คือสอนให้ใจเห็นให้ใจรู้ให้ใจรับความจริงให้ได้เพราะถ้ารับความจริงได้แล้วใจจะไม่วุ่นวาย ใจจะไม่ถูกขแต่ก่อนที่จะสอนใจได้นี้ต้องทําใจให้สงบก่อนเหมือนกับเวลาที่เราจะผ่าตัดหมอต้องฉีดยาสลบคนไข้ก่อนถ้าไม่ฉีดยาสลบพอผ่าคนไข้จะดิ้นเพราะมันเจ็บฉันใดถ้าใจไม่มีสมรรถภาวนาไม่มีความสงบใจจะรับความจริงไม่ได้ เวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่จะมีความหดหู่ใจจะมีความกลัวจนถึงไม่กล้าไม่กล้าที่จะพิจารณาไม่กล้าที่จะคอยสอนใจเตือนใจว่าเราเกิดมาแล้วร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าเราฉีดยาสลบให้กับใจก่อนฉีดยาสลบให้กับกิเลสก่อนเวลาทําใจให้สงบในกิเลสมันจะสงบตัวลงไป กลสก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองพอเราฉีดยาความฉีดยาคือทําใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิแล้วพอใจสงบนี้พอออกจากสมาธิมามาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายจะพิจารณาได้อย่างไม่สะทกสะทานจะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่รู้สึกขดหู่ใจจะไม่รู้สึกหวาดกลัว พอจะรู้ว่าสิ่งที่ตนเองพิจารณานั้นไม่ใช่ตนนันเองจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละส่วนพอเวลาที่ใจสงบนั้นใจปล่อยวางร่างกายแยกออกจากร่างกายพอออกจากความสงบมาก็จะกลับเข้ามาสู่ร่างกายอีกทีนึงก็เลยรู้ว่าใจกับร่างกายนี่เป็นคนละส่วนกันใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย ก็เลยไม่เกิดความหดหูใจไม่เกิดความกลัวขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ได้แยกไม่ได้แยากใจออกจากการ่างกายแล้ว ม, มาพิจารณาจําพิจารณาไม่ได้เพราะมีความหดหู่ใจมีความหวาดกลัวเพียงแต่คิดถึงคําว่าตายท่านนั้นก็ไม่อยากจะคิดกันละบางคนนี่ก็ไม่ใช้คําว่าตายกันขึ้นสวรรค์บ้างสเสด็จสวรรค์โคตรบ้างแต่ไม่ได้พูดว่าตายกันะ เพราะว่าคำตายนี้พอได้ยินแล้วมันทำให้ใจเศร้าหมองใจหดหู่เพราะว่าใจยังถู ก, กํำนา้นของความหลงความอยากอยู่ไปตลอดนี่เองจึงทำให้ไม่สามารถรับความจริงได้เลยจำเป็นที่จะต้องทำสมถะภาวนาก่อนคือบริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยพอใจสงบ ความคิดหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบพอสงบแล้วทีนี้ใจก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงเหมือนถูกฉีดยาสลบเหมือนกับคนไข้เวลาหมอที่หมอจะผ่าตัดนี่หมอต้องดมยาสลบก่อนเพราะถ้าไม่ดมยาสลบเวลาผ่ามันเจ็บก็จะดิน้นดิ้นจนไม่สามารถที่จะผ่าได้ แต่พอดมยาสลบแล้วทีนี้คนไข้ก็จะไม่ดิ้นเวลาผ่าก็สามารถผ่ารักษาแผลรักษาอวัยวะที่เสียได้ฉันใดใจเราก็เป็นเหมือนน่างกายที่จำเป็นจะต้องมียาสลบ <c oughs> <finished> เพื่อจะได้ไม่ต่อต้านเวลาที่เราเอาความจริงมาสอนใจ สอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสอนว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากเราไปแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเราไม่ได้สูญเสียอะไรไปเพราะสิ่งที่เราได้มาก็ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เรายืมเข้ามานั่นเองพอยืมมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเข้าไป ที่เราลืมไปว่าเรายืมเข้ามาเราไปคิดว่าเป็นของเรานี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้เราจึงต้องมาสอนใจใหม่ให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นของที่เรายืมมาเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเขาไปเดี๋ยวเราต้องส่งไปที่วัดส่งไปอ่าก็เรียกว่าส่งไปแยกธาตุแยกดินน้ำลมไฟให้ออกจากกันพอแยกเสร็จก็จะเหลือแต่ธาตุดินให้เราเห็นคือขี้เท่ากับเศษกระดูก นี่แหละคือร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟยืมมาจากดินน้ำลมไฟมาผสมให้เป็นอาการสาสิบสองผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็พอถึงเวลาก็จะแยกทางกันไปเราจึงต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอย่าไปเสียดายอย่าไปอยากให้เขา อยู่กับเราไปตลอดเพราะเป็นไปไม่ได้แล้วก็ความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่จะทำให้เราเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเรารู้ว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไปเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวเราของเราตัวเราเรายังอยู่ใจของเราไม่มีวันตาย ใจของเราคือธากรู้ตัวรู้ผู้รู้ส่วนร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟถ้าเราแยกแยกความจริงได้นี่เรียกว่าวิปัสสนาสอนใจให้เห็นความจริงของสิ่งที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยสอนให้รู้จักต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากของใจเองเกิดจากความหลงของใจเอง ที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาเป็นของเราและจะอยู่กับเราไปตลอดเราลืมไปว่าเรานี่อายุยืนยาวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้อะไรมาเขาอายุสั้นกว่าเราเดี๋ยวเขาก็ต้องตายไปแต่เรามันอายุยืนเราเราก็เลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีอายุยืนเหมือนเราแต่ไม่มีอะไรจะอายุยืนเท่ากับใจของเรามีใจดวงเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวนาน หรือที่ยืนยาวนานก็คือธาตุธาตุเดิมนั่นเองธาตุดินน้ํำลมไฟนี้เขาก็มีอยู่มาตลอดเหมือนกับธาตุรู้คือใจแต่ธาตุดินน้ําลมไฟเวลาเขามารวมตัวกันเขาก็เลยปรากฏเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้เรามาหลงยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะสามารถต้านความหลงได้ ความหลงที่เคยหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรามันก็จะค่อยๆจางไปจางไปแล้วต่อไปเราก็จะเห็นว่าเป็นธาตุขันธาตุขันก็คือธาตุสีดินน้ําลมไฟธาตุขันก็คือร่างกายนี้เองเป็นธาตุไม่มีอะไรใจมามาอาศัยอยู่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหากินหาความสุขต่างๆ แต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงอีกละเป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องทุกข์เพราะว่าเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจก็จะเสียใจจะทุกข์ใจขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวของเราก็คือความสงบนี่เองดังนั้นเบื้องต้นเราต้องทำใจของเราให้สงบให้ได้ให้เจอความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเรา พอเรารู้แล้วว่าความสุขที่ดีที่สุดนี้อยู่ในตัวเราแล้วอยู่ในใจของเราเองเราจะได้เลิกหาความสุขต่างๆที่สู้ความสุขที่ดีที่สุดไม่ได้นี่คือความหมายของการทำสมถะเพื่อให้เราได้พบกับความสุขเพื่อให้เรามีความอิ่มใจเพราะถ้าเรามีความอิ่มใจแล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆได้ เท่านี้เองนี่คือเรื่องของสมถะวิปัสสนาเวลาจเจริญก็จะสลับการทำเวลาสมถะภาวนาเราก็จะไม่จเจริญวิปัสสนาเจนเวลาทำใจให้สงบเวลาใจนั่งอยู่นั่งสมาธิพุทธโธพุทธโธก็ให้พุทธโธอย่างเดียวไม่ให้พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาอะไรทั้งนั้นให้ใจรวมลงสงบนิ่งว่างเฉยไม่คิดอะไรแล้วพอ ไม่คิดอะไรว่างเฉยแล้วก็ปล่อยให้ว่างให้นานที่สุดเพราะเป็นการเติมพลังให้กับใจเติมอุเบกขาให้กับใจพอหมดกําลังที่จะทำให้ใจหยุดคิดใจพอเริ่มคิดออกมาเราก็ต้องเอาความคิดนี้มาคิดไปในทางธรรมะมาคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นของชั่วกรา ไม่สามารถให้ความสุขเราไปได้ตลอดถ้าเราคิดอย่างนี้ใจก็จะฉลาดขึ้นจะรู้ทันความหลงแล้วพอเวลาความหลงมาหลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เราล้วก็ถามมันเลยว่าน่าเป็นเที่ยงหรือเปล่ามันจะสุขไปตลอดหรือเปล่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเราสั่งมันได้หรือเปล่าพอคาตอบตอนนี้มันตอบไม่ได้ไม่เราก็รู้เลยงี้เอามาทาไมเอามาให้ทุกข์เปล่า นี่คือปัญญาปัญญาจะเห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้คำคำสั่งของเราเราควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้นี่คือปัญญาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วให้คิดไปในทางปัญญาอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าเพ้อคิดในทางสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชื่นชมยินดี อันนี้เป็นความหลงนะเพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันดีจริงแต่มันดีเดี๋ยวเดียวมันดีชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เสื่อมร่างกายนี้ดีไหมเวลาเกิดมาใหม่ๆมมันแข็งแรงมีแต่โต ว, วันโตคืนกินได้นอนหลับอย่างแต่พอมันโตเต็มที่แล้วทีนี้มันก็เริ่มแก่ลงแก่ลงไปเรื่อยๆทีนี้ก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ นี่เราไม่เห็นขาลงเห็นแต่ขาขึ้นกันก็เลยหลงละเริงกับการเกิดต้องพิจารณาส่วนส่วนส่วนที่เสื่อมด้านเสื่อมอย่าไปพิจารณาแต่ด้านเจริญเพียงอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านมีด้านเจริญและมีด้านเสื่อมถ้าเราเห็นด้านเสื่อมเนาะเราจะได้ไม่อยากได้ใครอยากจะได้ร่างกายที่แก่มั่มงเวลาแต่งงานนี่เราหาร่างกาย ของคนหนุ่มคนสาวแต่งด้วยใช่ไหมเราไม่แต่งกับคนแก่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้เลยว่าคนคนหนุ่มคนสาวก็ต้องแก่อยู่ดีอคนที่แก่ที่แก่วันนี้ก็เป็นหนุ่มคนเป็นหนุ่มเป็นสาวในอดีตทั้งนั้นแหละหน้าตาสวยงามน่ารักกันทั้งนั้นแต่พอมาถึงวันนี้ก็เป็นยังไงเราไม่มองด้านนี้กันเราก็เลยหลงกันนี่คือวิปัสสนาถ้าเราพิจารณาจนรู้สึกมัน มันเหนื่อยอยากจะหยุดหรือว่ามันเริ่มไม่เห็นเหตุเห็นผลนะเริ่มคิดไปในทางกิเลสตัณหาแล้วก็ให้หยุดแล้วก็กลับไปทําสมะถะภาวนาใหม่ไปพักใจใหม่ไปเติมอาหารใหม่เติมอุเบกขาเติมความสงบใหม่พอใจได้พักเต็มที่แล้วถอนออกมาก็จะมีอุเบกขาที่จะมารักษาใจมาต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ก็จะคิดพิจารณาไปทางความเป็นจริงได้ ต่อไปก็ความหลงก็จะหมดไปจิตที่เคยมีอวิชชาปัจจยาสังขาราก็จะกลายเป็นธรรมาปัจจยาสังขาราไปถ้าอวิชชาปัจจยาสังขาราก็จะพาไปสู่ตัณหาอุปทานนำไปสู่ภพชาติถ้ามีธรรมาปัจจยาสังขาราก็จะนําไปสู่การปล่อยวางการไม่อยากการไม่ยึดติดการยุติของภพชาตินี่คือปัญญา ตองพิจารณาจากข้งใจนี่มีแต่ปัญญามีธรรมล้วนๆทำทั้งแท่งคิดอะไรคิดแต่ธรรมะทั้งนั้นคิดตามความเป็นจริงทั้งนั้นไม่คิดตามความหลงพวกเรายังคิดตามความหลงอยู่ยังเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดียังเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรายังอยากให้ร่างกายของเราอยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่คิดแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดตัณหาความอยาก พอมีตัญหาความอยากก็มีความทุกข์ใจแล้วก็เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็จะมีภพชาติตามมาใหม่ น, <c oughs> นี่คืองานของส ม, มถะและวิปัสสนาเป็นงานที่สลับกันทาเหมือนกับเวลาที่เราออกไปทำงานข้างนอกบ้านเราก็ไปทำงานต่างๆพอเราเหนื่อยเราก็กลับบ้านมาพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่า พอตอนเช้าตื่นขึ้นมามีกำลังเราก็ออกไปทำงานใหม่สมถะก็เป็นที่พักผ่อนหลับนอนของใจวิปัสสนาก็เป็นที่ทำงานของใจวิปัสสนาเป็นผู้ที่จะทำให้เราทำลายความหลงได้ตัดความอยากได้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้สมถะทำไปได้แต่ถ้าวิปัสสนาไม่มีสมถะก็จะไม่มีกำลังที่จะทำงานทาไปแล้วก็จะเหนื่อยไม่มีแรง ก็จะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้นั่นเองดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีทั้งสองส่วนมีทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในเบื้องต้นถ้ายังไม่มีสมถะก็ต้องสร้างสมถะขึ้นให้ได้ก่อนต้องมีต้องได้มีอาหารก่อนได้กรับประทานอาหารก่อนถึงจะออกไปทำงานได้ถ้าออกไปทางานโดยที่ไม่มีอาหารรับประทานก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรง ดนเบื้องต้นจึงต้องเจริญสติให้มากต้องบริกรรมพุโทโธให้มากทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับจนสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบให้จิตนิ่งเฉยเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาให้ได้พอได้แล้วทีนี้ก็ออกมาก็ไม่ต้องพุโทโธล้ะออกมาก็ใช้ปัญญาได้เลยเจริญวิป เกิดแก่เจ็บตายอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปกับทุกเรื่องทุกอย่างที่เรามีความผูกพันมีความรักมีความหวงด้วยพิจารณาเพื่อปล่อยวางให้ได้เพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเวลาสิ่งที่เราลักเราหวงจากเราไปจะเป็นเวลาที่มีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราปล่อยวางได้เวลาสิ่งต่างๆที่เราลักเราหวงจากเราไปเราจะไม่เสีย อ, อกเสียใจนี่คือการ การปฏิบัติของสมถะและวิปัสสนาภาวนาเป็นงานที่จะต้องทำสลับกันไปลองตาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเดินต้องมีทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเวลาก้าวเท้าซ้ายก็ไม่ได้ก้าวเท้าขวาเวลาก้าวเท้าขวาก็ไม่ได้ก้าวเท้าซ้ายถ้าจะเดินซ้ายขวาพร้อมๆกันก็ต้องก็ต้องกระโดดไปก็ต้องเหมือนกับ <c oughs> ก็จะไปไม่ถึงไหน น้นต้องสลับกันทํางานสมถะ ก, กับวิปัสสนาพิจารณาจนเหนื่อยแล้วก็ไม่กิเลสเริ่มออกมาเพ่นพ่านแล้วก็หยุดพิจารณากลับไปให้ยาสลบกับกิเลสก่อนกิเลสเริ่มมีกําลังแล้วหมดกําลังที่จะทําใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็กลับเข้าไปเป็นทำสมาธิให้เป็นอุเบกขาใหม่ให้กิเลสอ่อนกําลังลงไปใหม่แล้วพอออกมาจะได้ไม่มีกิเลสมาจุนจ้านมาลบกวนการเจริญวิปัสสนา ทำไปอย่างนี้จนกว่าจะทําลายกิเลสตัณหาได้หมดพอหมดแล้วก็ไม่มีงานที่ต้องทําอีกต่อไปพระเจ้าถึงบอกว่างานในพรหมจรรย์ น, นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วอุสิตังบ ร, รมเจริยังคืองานชําระกิเลสตัณหาไม่ได้ทําเสร็จสิ้นแล้วไม่มีกิเลสตัณหาหลงเลืออยู่ในใจแล้วเห็นอะไรก็ไม่โลโ่ภไม่อยากได้แล้วไม่กลัวจะเสียอะไรก็ไม่กลัว อะไรจะเกิดก็ไม่หวั่นไหวนี่สแสดงว่าใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นเก็นไปลจะต้องทำาออีกต่อไปก็มีแต่เอาความรู้นี้ไปเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจต่อไปก็เท่านั้นเองสอนไปจนกว่าจะหมดลมหายใจหมดลมหายใจก็ต่างคนก็ต่างไปกันนี่ก็มีเท่านี้เรื่องของพระพุทธศาสนากับ ชีวิตของพวกเรามีคุณมีประโยชน์กับพวกเรามากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะวนอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายหาลาบยศสรรเสริญแล้วก็ต้องมาร้องหมงร้องห้า้กันเวลาที่สิ่งเหล่านี้เสื่อมไปหมดไปตอนนี้เรามีทางเลือกแล้วเรามีทางที่ดีกว่ามีทางที่ไม่เสื่อมมีความสุขที่ไม่เสื่อม คือความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจของเราขอให้เราพยายามทำกันเถิดแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระสาวุกทั้งหลายเป็นกันมีปัญหาอะไรไหมมีฮะมีมีผู้ฝากถามคำถามมาทางข้อความ a c e b o ๊ k พระอาจารย์สุชาติหรือวิชาตโตนะครับจากคุณซาซานะครับถ้าเราไปหางาน ทำหาเงินใช้แล้วไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไปแสวงบุญบ้างไปทางธรรมบ้างจะถือว่าบาปไหมตอนนี้ไม่มีไรายได้เลยแต่พ่อแม่พอมีพอใช้จ่ายไม่ลําบากตอนนี้ไม่มีเงินพอจะเลี้ยงท่านอีกอย่างกลัวบาปไม่ไปก้อเงินท่านใช้ก็ดีแล้วแหละ ไม่บาปหรอกที่เราไปทำมาหากินเพื่อที่เราจะได้พึ่งตัวเราเองได้ไม่ไปรบกวนพ่อแม่นอกจากว่าพ่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้เท่านั้นแ่ะถึงเราถึงไม่เราถึงควรจะอยู่กับท่านเลี้ยงดูท่านแต่ถ้าท่านยังเลี้ยงดูตัวของท่านได้อยู่ท่านไม่เดือดร้อนก็การไปทำมาหากินไปอยู่ที่อื่นก็ไม่เป็นความผิดแต่อย่างใดบาปก็คือการ ทำผิดศีลห้าถ้าเราไม่ได้ฆ่าพ่อค่าแม่ไม่ได้รักทรัพย์ของพ่อแม่ไม่ได้ทําอะไรเสียหายให้กับพ่อแม่ก็ไม่ได้ถือว่าเราทาบาปแต่อย่างไดแต่เราอาจจะไม่ได้ทําบุญกับท่านเท่านั้นเองไม่ยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณไม่ได้ทําบุญแต่ถ้าต่อไปถ้าเรามีฐานะที่ดีขึ้นเราก็ควรจะคิดถึงพ่อแม่อย่างครูบาอาจารย์สอนว่าก่อนที่จะออกไป ทำบุญกับพระอรหันต์นอกบ้านก็ให้ทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านก่อนในบ้านพวกเราก็มีพระอรหันต์อยู่สองรูปด้วยกันก็คือพ่อแม่ของเรานี่แหละเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างใหญ่หลวงไม่มีใครในโลกนี้ที่มีพระคุณเท่ากับพ่อแม่ของเรายกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่มีพระคุณมากกว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่เพียงแต่ให้ร่างกายเราให้ชีวิตเรา แต่พระพุทธพระธรมพระสงค์นี้ให้พระนิพพานกับเราพระนิพพานนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าร่างกายของเราหลายแสนเท่าด้วยกันแต่พ่อแม่ของเราก็เป็นบุคคลที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับเราถ้าเรามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณท่านได้ด้วยวิธีใดก็ตามขอให้เราทําไปเถิดไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องไปทําบุญนอกบ้านขอให้ทําบุญในบ้านให้พร้อมก่อน ที่ในคํ า, อาสอนบอกสรรพปปัสสะอาการนางกุศลสู้ปสัสมปทาจงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเนกุศลก็คือความดีทั้งหลายบุญทั้งหลายเช่นความกระตันยูกะตะเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากพระเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้เลี้ยงพ่อแม่ให้ดีขนาดไหนแบกท่านไว้บนบนไหล บ, น บ, นบุญบ่าให้ท่านอุจฉะปัสวะสายเรา บุญคุณของท่านที่มีกับเราก็ยังไม่มีวันหมดวิธีที่จะทำให้ท่านบุญคุณของท่านหมดก็คือเราต้องทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันให้ได้เท่านถ้าเราทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันได้ท่านก็จะหลุดพ้นจากอบายแล้วท่านก็จะมีภพชาติไม่เกินเจ็ดชาติท่านก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาต่อพระพุทธมารดาหลังจากที่ทรงตัดสรตแล้วก็ทรง ติดต่อกับพระพุทธมารดาที่ได้ไปจุติบนสวรรค์และกดส่งใช้พลังจิตสั่งสอนอยู่หนึ่งพันสาด้วยกันจนได้ตดัจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพระองค์ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วพระราชบิดาก็ได้ช่วยให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรค์คตไป นี่แหละคือวิธีตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายควรจะตอบแทนทางด้านจิตใจแต่ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะรับธรรมะหรือวิธีการปฏิบัติทางด้านจิตใจเราก็ต้องช่วยในทางด้านปัจจัยสี่ไปเลีงดูท่านให้ดีอย่าให้ท่านอดอยากขาดแคลนให้มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีอยู่มียามีหมอมีอะไรต่างๆไว้คอยดูแล จนถึงเวลาที่ท่านตายไปตายไปเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับท่านอีกต่อหนึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกับที่เราไปทำบุญกับพระพระครูบาอาจารย์ต่างๆบุญเหมือนกันอ้อเป็นเกิดจากการเสียสละจาราเสียสละความสุขเสียสละประโยชน์ของเราให้แก่ผู้อื่น มีไหมคำถามพระอาจารย์ครับจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของสิน้าทีา่สุราครับที่พระอาจารย์แสดงธรรมไว้ว่าหากผู้ดื่มสุราเนี่ยไม่มีความยินดีในการดื่มแต่ดื่มไปตามกิริยานั้ น, น, นๆอย่างนี้แสดงว่าไม่ผิดศีลนะครับพระอาจารย์เราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะพูดเลยูนะ <laughs> คือการกระทำกิริยามาถึงว่าจิตไม่มีอะไรเกี่ยวข้องด้วยเหมือนคนคนอยู่เฉยๆแล้วถูกเขาเอาสุรามากรอกใส่ปากอย่างนี้แต่ใจไม่มีความอยากจะดื่มเลยอะไรอย่างนั้นก็ไม่เป็นบาปเพราะบาปอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากอยู่ที่เจตนาความตั้งใจความอยากดื่มแต่ถ้าดื่มเพราะว่าถูกเขากอกเขาเราจับเรามัดอยู่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เอาสุรากรอกใส่ปากานี้ อย่างนี้ก็จะว่าผิดศีลก็ผิดแต่มันมันไม่บาปตรงที่ว่ามันไม่เป็นเป็นพิษเป็นภัยกับใจเพราะใจไม่มีความอยากที่จะดื่มในกรณีที่แบบงานสังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ <c oughs> ก็บางทีอยู่ที่ใจว่าเราเราอยากจะดื่มหรือเปล่าบางทีเราอยากจะดื่มเราก็อ้างว่าเป็นเป็นเรื่องของสังคม คืออยู่ที่เจตนาเป็นหลักถ้าไม่มีเจตนาแล้วก็มันก็ไม่มีมันไม่มันไม่มันไม่บบเป็นบาปเพราะใจไม่มีความตั้งใจที่จะกระทำวัเนเราขับรถไปชนสุนัขที่วิ่งตัดหน้าเราอย่างนี้อันนี้ก็เราก็ไม่ได้ฆ่าเขาด้วยเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นปานาติบาตเป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าเราตั้งใจเห็นสุนัขวิ่งมาเราก็หันขับรถ พ่งชนเขาเลยอย่างเงี้ยเพราะ เ, าเราอยากจะให้เขาตายอย่างเงี้ยถึงแบบหรือว่าเราเห็นคนสุนัขที่เราเลี้ยงมันเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรักษาไม่หายมันทรมานเราสงสารมันเราก็เลยไปฆ่ามันอย่างเงี้ยอันเนี้มีเจตนาเหยียดนาอยากจะให้เขาตายถึงแม้ว่าจะเป็นเหยีนาดีคือไม่อยากจะให้เขาทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขา แต่มันก็เป็นเจตนาฆ่าต้องการให้เขาตายอย่างนี้ก็เรียกว่าบาปแต่ถ้าเรารักษาคนไข้แล้วเราให้หมอเขาเอาพวก เ, เครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรต่างๆออกไปนี้อย่างนี้ไม่บาปอย่างนี้เราปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติปล่อยให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาติของเขา อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอย่างนี้ไม่บากแต่บางทีมันก็อาจจะพิจารณาแยกแยะลำบากหน่อยต้องดูที่ใจเป็นหลักไม่มีอะไรมากนะ ว, วันนี้มีข้อเดียวเลยอ่าว่ามาทางนูน้นอ่ อาจารย์เกี่ยวกับการเข้าฌานสมาธิแต่ละขั้นค่ะโอ้ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะปฏิบัติเองรู้เองจะดีกว่าเพราะว่าในหนังสือท่านก็บอกไว้แล้วว่าเป็นอย่างไรเช่นฌานขั้นที่หนึ่งมีมีคุณสมบัติอย่างไรเช่นมีวิตกมีวิจารมีมีสุขมีปิติมีอะไรเอกาตาลมเนี่ย แล้วฌานขั้นที่สองวิตกวิจารก็หายไปมันมันต้องไปอ่านในตำราว่าเวลาเรานั่งไปนี่บางทีมันไม่ได้เป็นขั้นข้นอ่ะบางทีมันพูดจากขั้นหนึ่งไปขั้นสี่เลยนี่ขอให้เราไปถึงขั้นสี่ก็คือขั้นที่เป็นอุเบกขาใจว่างใจสักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดตรุงแต่งมีแต่ความสบายสุขใจสบายใจไม่วุ่นวาย อันนั้นก็เป็นเป็นสมาธิหรือเป็นฌานขั้นที่สี่นะส่วนฌานขั้นที่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ก็เป็นขั้นที่ละเอียดขึ้นไปอีกซึ่งพระพุทธเจา้าทรงตัดว่าไม่จำเป็นต่อการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนานี้ต้องการเพียงฌานขั้นที่สี่คือจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตตารลมเป็นอัปปนาเป็นอุเบกขา แล้วพอออกจากฌานนี่มาก็จะมีกําลังที่จะใช้ในการเจริญปัญญาได้ฌานทั้งหมดนี้ตามลําพังเขาไม่สามารถที่จะตัดทบตัดชาติได้ไม่สามารถที่จะทําลายต้นเหตุของภพชาติคือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าทําได้บรรดาโยคีที่เข้าฌานก็จะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปหมดแล้วแต่หลุดไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ฌานมาก่อนก่อนที่จะได้วิปัสสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษากับพระอาจารย์สองรูปที่มีความสามารถเข้าฌานได้ถึงขั้นอรูปฌานแต่เวลาออกจากอารูปฌานออกจากรูปฌานออกมากิเลสก็จะออกตามมาด้วยเวลาอยู่ในนั้นก็เหมือนว่าไม่มีกิเลสเหมือนอยู่ในพระนิพพาน มันเป็นเหมือนกับหินทับหญ้าหญ้าไม่ตายเวลาเราเหินไปทับไว้ก็หญ้างอกออกงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเรายกหินออกมาทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวญ่าก็งอกงามขึ้นมาใหม่กิเลสตัณหาก็เหมือนกันเวลาเราเข้าฌานก็เหมือนกับไม่มีหายไปเลยความโลภความโกรธความหลงความอยากไม่มีใจว่างเย็นสบายแต่พอออกจาก ชาญมาพอตาเห็นรูปเข้าเท่านั้นเกิดความอยากได้ละเห็นตู้เย็นก็อยากจะดูว่ามีอะไรเห็นทีวีก็อยากจะเปิดดูเห็นขนมก็อยากจะชิมอยากจะชิมดูอยากจะลองดูอยากจะกินอันนี้ก็เป็นกิเลสทั้งนั้นล่ะถึงต้องใช้วิปัสสนาว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอดูเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มวันพอก็จะต้องดูไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ เวลาไหนที่ไม่ได้ดูไม่ได้กินเวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าไม่กินไม่ดูมันก็จะไม่เดือดร้อนต่อไปมีดูแล้วไม่มีดูมีกินหรือไม่กินก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจตัดความอยากได้อันนี้แหละเป็นวิปัสสนาต้องเห็นว่าการทําตามความอยากนี้จะทําให้เราต้องทําไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถทําตามความอยากได้เวลานั้นเราก็จะต้องทุก เป็นเวลาเราแก่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดีแล้วจะดูจะฟังอะไรก็ไม่มีรสมีชัดดูไม่ได้เวลานั้นก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขใจไม่มีความอยากร่างกายเป็นอะไรเราก็ยังสุขใจได้เราทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งไม่ให้คิดปูงแต่งเราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ดีกว่าเราต้องยึดอันนี้เป็นหลัก พยายามเอาความสงบเป็นเป็นความสุขของเราอย่าเอาความสุขจากตาหูจมูกลิน้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเพราะของเหล่านี้เขาไม่แน่นอนเขาไม่เที่ยงแท้เขาไม่ถาวรบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็จากเราไปเวลาไม่ได้เวลาจากเราไปก็เวลาที่เราต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจ แต่ความสงบของใจนี้ไม่มีวันจากเราไปเพราะเราสามารถสั่งมันได้ถ้าเราทำได้แล้ต่เวลาเราต้องการความสงบเมื่อไหร่เราก็ทำได้นั่งอยู่เฉยๆแค่นี้กำหนดจิตไม่ให้ไปคิดอะไรมันก็สงบนะไม่ทุกข์กับอะไรร่างกายจะเจ็บขนาดไหนก็เป็นเรื่องของร่างกายไปใจไม่ไปทุกข์กับเขาแน่อ่หคนที่เอ่อาสั่งเยอะเลย ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อรูปชานี่ยเขาก็ไม่ต้องละสังโยชน์ข้อนั้นชวยก็จิตของพาวนามีนี้มันละเอียดขั้นรูปชาณารูปชาณ์โดยจิตที่ได้ได้ตัดการมาราคะไปนี้มันจะละเอียดอยู่ในระดับรูปชาณารูปชาณ์โดยอัตโนมัติจิตที่มันอยากเพราะว่าการการอารมณ์มันทำให้จิตอยาเพอทำลายการอารมณ์ได้จิตมันก็จะละเอียดไป เข้าใจไหมการมาลมเหมือนคนเอาน้าเาเอาไม้ไปกวนน้ําให้ให้มันขุน่นพอเราเอาน้ําออกไปน้ํามันก็ใส่น้ํามันก็เนิ่งขึ้นมาจิตถ้าไม่มีการอารมณ์มันก็จะเนื่งมันก็จะเป็นรูปประชานรูปประชานไปแล้วมันเป็นรูปประชานแบบท้าวรคือไม่ต้องมาเข้าเข้าฌานเหมือนกับคนที่นั่งเข้าฌาน อยู่ข้างนอกมันก็สามารถที่จะนิ่งเหมือนกับเป็นน่รูปประชานได้เพราะไม่มีตัวที่จะมาทําให้ใจมันมันว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาใจมันละเอียดมันนิ่งมันเย็นอย่างที่หลวงตาบอกว่ า, วาสว่างสวัยไปหมดเพียง <c oughs> แต่ว่าความสว่างสวายนี้เป็นยังเป็นกิเลสอยู่ เพราะว่ามันยังเสื่อมได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันสว่างแล้วบางทีมันก็มันก็ยุบลงมาเช้าลงมาทีนีถ้าเราหลงติดอยู่กับความสว่างล้วก็จะพยายามทำให้มันสว่างขึ้นมาใหม่เวลามไม่สว่างเราก็ใช้สติใช้สมาธิกำหนดมันให้มันสว่างขึ้นมามันก็เลยยังเป็นภารกิจที่จะต้องคอยดูแลรักษาอยู่เรื่อย สิ่งใดที่รังต้องคอยดูแลรักษาก็แสดงว่าสิ่งนั้นยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมอยู่ถ้ามีเจริญมีเสื่อมก็แสดงว่าเป็นสมมุติยังไม่เป็นวิมุตถ้าเป็นวิมุตแล้วมันจะไม่มีวันเสื่อมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอันนี้พอทําลายตัวนี้ไปแล้วก็จะเหลือแต่ตัวที่ไม่มีวันเสื่อมไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับมันบังไว้อยู่บังตัวที่ไม่เสื่อม ต้องพิจารณาแล้วปล่อยวางมันพิจารณาว่าเป็นตายรักษณ์เป็นทุกขังอริยสัจเนี่ยเพราะมีความอยากให้มันไม่เสื่อมอันนี้ปฏิบัติไปมันก็จะมันก็จะเข้าใจมันก็จะเห็นเองเพราะของพวกนี้มันมันมันมีอยู่เป็นอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้มันถูกกิเลสตัณหาหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเองเหมือนของดีที่เราเอาผ้าห่อไว้เราไม่แกะผ้าออกมา เราก็เลยไม่เห็นของดีที่มีอยู่ในในในในภาชนะที่เราพุ่มห่อไว้ถ้าเราเอากิเลสตัณหาออกไปจากใจเราเราก็จะเห็นสิ่งที่มาัจจรนท์สิ่งที่วิเศษอยู่ในใจของของพวกเรา <c oughs> ที่เหมือนกันหมดทุกคน <c oughs> อความสว่างสวัยของจิตแต่ความสว่างสวายนั้นท่านก็บอกว่ามันไม่เที่ยงมันยังไม่ใช่เป็นความบอยสุท ความบรส่วน์นี่มันมันไม่มีวันเสือ่อมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นและนี่คือความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาที่ชี้ให้เราเห็นความอัศจรรย์ที่มีอยู่ในตัวเราไม่มีอะไรที่อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ดีมีคุณค่ามากเท่ากับใจของเรา แต่พวกเราไม่รู้กันพวกเราเป็นเหมือนอไก่ได้พลอยไม่รู้คุณค่าของพลอยพวกเราชอบกินตัวไส้เดือนตัวนอนกันชอบคุยเขี่ยหาแต่ลาบยศสรรเสริญพ อ, อพอเจอพอเจอพลอยก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปพอพอเจอความความสงบใจก็กลัวกันพอให้อยู่คนเดียวนี้ก็กลัวละว้วาเวผีเผอตามมาวุ่นไปหมดแล้ว <laughs> <laughs> แล้วมันจะสงบได้ไง ใจมันต้องสงบมันต้องอยู่คนเดียวต้องตรีกวิเวกไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอไปอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้กลัวผีขึ้นมาเราเลยไม่มีโอกาสที่ได้เจอของอัศจรรย์ของวิเศษที่มีอยู่ในตัวเราเองเราก็เลยต้องไปหาพวกไส้เดือนหาตัวหนอนกินกันเป็นพยายามต่อสู้กับความกลัวนี้อย่าไปกลัวมัน พยายามฝึกจเจริญพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเนี่จะช่วยพาเราไปให้ต่อสู้กับความกลัวได้ที่พาไปอยู่ที่หน้ากลัวก็เพื่อที่จะปลุกให้ใหพุทโธเกิดขึ้นมาเพราะเวลาเราอยู่ที่ปลอดภัยนี่มันจะไม่กลัวแล้วมันก็เลยไม่ต้องใช้พุทโธแต่พอเราไปอยู่ที่หน้ากลัวนี่มันกลัวสุดขีดนี่มันต้องหาอะไรเกาะแล้วถ้าปล่อยมันจะเป็นบ้ามันก็ต้องใช้ท่องพุทโธพุทโธไป พอท่องพุโทโธอย่างไม่ไปคิดถึงอะไรเดี๋ยวเดียวจิตก็รวมลงเลยจิตสงบปับ๊บพอสงบปับ๊บความกลัวก็หายไปความสุขความกล้าหาญก็เกิดขึ้นมาความรู้จริงก็เกิดขึ้นมาว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัวของเราเองเราไปสร้างมันขึ้นมาเองสิ่งภายนอกไม่มีอะไรเสียงสีเสียงมันไม่มีอะไรเขาไม่ได้มาทําลายเราได้ไม่มีอะไรทําลายใจเราได้นอกจากความกลัวของเราเอง เราอยากจะได้พุโทโธอยากจะได้ความจริงต้องไปหาที่น่ากลัวอยู่เพราะเราจะได้อาศัยพุโทโธเป็นที่ยืดเหนียวจิตใจต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาเกิดความกลัวแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็จะหายกลัวไม่กลัวอีกต่อไปนะเพราะความกลัวเกิดจากความหลงของเราเองไปคิดไปเองเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมาหลอกเรา พอจิตสงบแล้วมันไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วมันเฉยมันว่างมันสงบไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีพัญหาต้นไม้ใบหญ้าเขาไม่ได้มาทำร้ายเราหรอกเสียงลมพัดเขาไม่มาทําลายเราหแต่ความกลัวของเราเราไปผลิตคิดขึ้นมาว่าเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมาเองแม้แต่ผีเขาก็ทําเขาก็ไม่มาทําเราเขาทําเราไม่ได้ผีกับเราก็เหมือนกันนผีก็เป็นจิตใจเราก็เป็นจิตใจ จิตใจเขาก็ทําลายเราไม่ได้จิตใจเราก็ทําลายเขาไม่ได้จิตใจของใครก็ของมันแต่ความหลงของเราเนี่ยมันปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่จะมาทําลายเราเท่านั้นเองงั้นถ้าเราอยากจะได้พุโทโธอยากจะได้สมาธิเร็วๆก็ต้องไปหาที่น่ากลัวอยู่แต่ต้องมีกําลังพอสมควรในการบริกรรมพุโทโธอยู่ก่อนแล้ว มีความมั่นใจว่าถ้าเจอความกลัวแล้วสามารถที่จะบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวได้ไม่ไปคิดถึงอะไรแล้วก็ตอนนั้นก็ยอมเป็นยอมตายไปเลยไม่เอาอะไรแล้วเอาแต่พุโทโธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงอย่างเดียวถ้าร่างกายมันจะตายไปตอนนั้นก็ปล like ่อยมันต า, มตายไปอย่าไปกังวลกับมันถ้าไม่กังวลกับร่างกายไม่กังวลกับความตายแล้วมันก็จะอยู่กับพุโทโธได้พออยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็รวมวเข้าสู่ความสงบเลย เรานี่ยเรามีของดีของวิเศษอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนานๆจะมีกุญแจามาเปิดประตูนี้ให้กับพวกเรากุญแจนี้ก็คือพระพุทธศาสนานี่เองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีกุญแจเปิดเข้าไปดูใจของเราใจของเราก็จะเราก็จะไม่มีวันเห็นคุณวิเศษความวิเศษของใจของเราพอเราไม่มีความวิเศษในตัวเราเราก็เลยต้องไปหาความวิเศษจากของภายนอก หาลาบยศสรรเสริญหาสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าวิเศษจริงมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟมมาจากดินน้ำลมไฟตรงนั้นทองมันวิเศษตรงไหนทองมันก็เป็นดินเป็นธาตุดินเพชรมันก็เป็นธาตุดินมันวิเศษตรงไหนกิน ก, ก็กินไม่ได้ใช่ไหมแต่เราไปหลงกันพอคนอื่นเขาว่าดีก็ว่าดีตามเข้าไปก็เลยแย่งกันพอแย่งกันมันก็เลยมีราคาขึ้นมาทังนี้ ถ้าไม่มีใครแย่งกันแล้วมันจะมีราคาแล้วนอย่าไปหลงอะไรในโลกนี้มันเป็นของปลอมทั้งนั้นของจริงนี้อยู่ในใจของเราเราจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรานำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาละบาปสร้างกุศลมาชำัะใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลด้วยการทำทาน ด้วยการภาวนาอาคิดว่าสมควรแก่เวลานะก็จะขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิดแล้หนังสือยังจากอยู่นะใครยังไม่ได้ต้องเข้ามาเอาได้ ไปวันนี้ครับฉันกลัว